ดีนะครับชาดกนี่เคยกลมเกลีาชีวิตจิตใจคนไทยทั้งชาติมาแล้วครับชาดกนั้นไม่ใช่นิทานบ้าๆด๋อยช้างพูดได้ช้างยันโพสิสัตว์แต่เป็นนิทานอุดมคติของการศรีสระซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เกิดการรักทั้งสัตว์ป่าทุกชนิดเพราะว่าเมื่อเราเหลีอยแล้วดูกระลอกถ้าเราเรียนชาดกมาแล้ว่า สมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์เวยพระชาติเป็นกันลอกเราไม่ต้องค้นหาแฟกของมัน น, นะฮะแต่ข้อเท็จจริงคือมันยับยั้งความทําลายอะไรของเราได้เป็นอนาใช้ได้มีเรืองหนงนะที่จะเล่าสู่เพืนฟังก็คือรูปแบบการนําเสนอชาดกของเราในช่วงร้อยปีที่แล้วมาเนี่ยเลอะล่ามากขึ้นต้นอติเตากาเลนเหมือนภาภาลาางังี่สิญาดโยงก็ฟังเด็กเล่นไม้ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับ แต่ถ้าเรารู้ว่าเมื่อนิทานนันล้ำเลิศเหล่านีนะ้เข้ามือนักสร้างภาพยนต์อย่างคโครโซวาแล้วนี่ครับโลกตะลึงทันดีครับพรวกผมมันงดงามเหลือเกินในท่านนั่งผมเช่นยกตัวอย่างเรื่องพระโพิศัดจับทันนะครับเราอยากคิดว่าเป็นเรื่องช้าง้าป่าๆแต่คทีว่านี่เป็นวิธีนําเสนอมนโมทําล้ำลึกของผู้ที่จะเป็นพระเจ้าในวันหน้าที่เรียกพระโพิศัดชาดกเรื่องนี้นี่เป็นการ ตายเพื่อพิสูจน์ความยุติธรรมซึ่งนักการเมืองสมัยนี้ไม่มีใครสนใจเลยเพราะเขาไม่ชอบที่จะยินได้ฟังเรื่องตายเพื่อความเป็นธรรมนี mm ้เอ่อพระโพสผมเล่าเรื่องย่ อ, อเพื่อเป็นเค้านะครับพระโัสต์สวยประชาติเป็นอยอดช้างชื่อจัดทางอยู่ในป่าหิมพานเนี่ยเอ่อมีความรักต่อช้างพังดังคู่เสมอเหมือนกันทื่สุภธาและมหาสุภธานีแต่ที่เหตุอุบัติเหตุบังเ อ, อิญต่างเนี่ยทำให้มีน้อยโกรธแค้นมากครว่าเป็นคน ไม่ยุติธรรมเลยค ร, คราวหนึ่งองวงถอนสายบวัวล้างให้มหาสุภธาเนี่ยหลวงพูดภาษาชาวบ้านเนะยแล้วจะถามผมงทำไมต้องมีสองเมียไอ้นี่คนละประเด็นแล้วเพราะทีที่ถอนส่งให้สุภทานบางเอิญติดโคลนไปด้วยมันเป็นเรื่องบังเอิญครัฝ่ายพุะธามเี่ยน้อยก็เจ็บแค้นว่าอคติอีกคนหนึ่งองวงเด็ดกิ่งว่าให้ ก็เจอลังวัลแดงเข้าอีกนน้อยก็เลโกรแท้แลแ้วปักใจเจ็บว่าต้องล้างแค้นให้ได้เรียกวแค้นข้ามภพข้ามชาติกันดีๆครับอทฤษฎีฐานคอยเกิดมีอานาจวาสนาสวันนี้ก็เราจับดีๆก็คนสมัยนี้ก็เป็นแค้นข้ามภพข้ามชาติเอ่อพอเกิดมาก็ระลึกชาติได้ด้วยนะว่าพระโพธิสัตว์อยู่ที่ไหนก็สั่งพลานให้เข้าป่า เพื่อเป็นเลื่อยงามาทําตังก็มานั่งไห้หายเจ็บใจสักทีแล้วก็กระซิบด้วยบอกให้เอาผ้าเหลืองมาถะอผืนรู้ดีว่าโพยสัตว์เนี่ยเกรงผ้าเหลืองมากจะไม่ฆ่าไม่ทําลายพรานก็ไปวางกลค่ายกลอะไรเข้าเดีายวโพยสัตว์เปนสัตว์ที่ฉลาดก็คว้าเอวเอพรานนั้นได้จะฟาดให้ตายเนะียเพื่อพิทักษฝูงโลงท่านแท่านเหลือไปเห็นผ้าเหลืองก็ใจอ่อนนะ สอบถามได้ความแล้วโพยจตุก็รู้ว่าคนตัวเองรักมากเข้าใจผิดทั้งหมดดังนั้นก็จําจะต้องตายเพื่อพิสูจน์ความเป็นธรรมึ้นมาเนี่ยในี่สุดก็นอนให้เขาเอางาไปแล้วตัวเองก็ตายจากจุดเหล่านี้ครับเราเพบว่าเป็นทีทานเราอุดมกติที่รักความเป็นธรรมยิ่งชีวิตมันไม่ใช่เพื่อคนรุนช้าอย่างเคยา็อสอนมันมนึ้นะครับแล้วครั้งนี้ดี ฉับทันชาดกได้กล่าวเป็นเทสยอดเทดจดีนะฮะเขาว่าศิลปะขั้นสูงนั้นอยู่ที่เทดจดีคือโสนาตะกรรมเหมือนเราได้ยินเสียงดนตรีที่ซอดึกๆนี่มันเศร้ามากแต่เมื่อเราได้ยินเพลงเศรา้าหัวใจเราจะชุ่มชื่นขึ้นมนันแปกนฮะในเรื่อ ง, ใ น, องในเรื่องอันนี้นะฮะข้าจดีนะฮะกรมยานริตรานวัตถุวงศ์สมัยพระองค์ท่านบวชออกบิณฑบาตว่าท่านเดินมาที่หนึ่งได้ยินเสียงซอเรื่องพยาฉับทนันท่านหยุดนิ่งเลย ไม่เคยได้ยินเสียงซีไหนที่เศร้าและไพเราะขนาดนั้นเรื่องร้าวฉับทันโศกนาฏกรรมวันนี้ถูกแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินนี้นะฮะเลี้ยวเพลงขอทานเล่าเรื่องเหมือนกับพลนาความยุติธรรมของบริษัทไม่ใช่เรื่องเดียวนะอันี้ท่านอัโมครอสว่ามือกํากับภาพยนตร์ที่ฮอลลูวูดสยบนะฮะมือเทวดาเนี่ยก็เพราะว่าหลายเรื่องที่ครอว่าเอาจะกชาดกนั้นครับเช่นมือไรฟินเซส เจ้าหญิงแสงกันนะครับเอาไปจากอุตสาเทวีในชาดกแล้วราชโมันก็คือจันโครบครับแต่ก็เข้ามือผู้ที่มันเห็นคว า, ามนางได้แล้วโลกตะลึงทันทีนั้นแทนที่เราจะตัดชาดกทิ้งเนี่หมือนที่เสนอนะผมก็คิดว่าเราต้องหันหาชาดกให้มากขึ้นเราต้องพิจารณานิหาแก่นของมันเนี่ยแล้วนําปรับลูกให้มีเสน่ห์ให้มีความน่ารักและความงดงามเลยหลายเรื่องมากครับยกตัวอย่างในเรื่องหนึ่ง บริษัทสวยประชาเป็นพยานกอยู่ในป่าอุ้งผานนะครทุกเช้าจะแนะนําเทศนาก่อนที่นกจะก่ออกหากินฟังดูโรแมนติกดีนะครแต่ที่ผมจะเล่าคือมาเทศนาทุ ก, ทกเช้าแล้วเนี่ยทุกเช้าของการเทศนาจะสรุปลงด้วยการแนะนําประโยคสุดท้ายว่าบริษัทจะพูดว่าหวังว่านกทั้งหลายคงไม่สะสมเกินจําเป็นนะฟังดูเอร์ในนิสสนมันดนี่ ชาดกทั้งหมดเป็นการเราอุดมการณ์นะครับในทางธรรมที่จริงเช่นเดียวกับเรื่องของอยูนิคอนของคริสเตียนนะฮะพริษัทซึ่งก็หมายถึงเยซูนะฮะเป็นยูนิคอนสัตว์แสนสวยที่ใจซื่อด้วยบริสุทธิ์ด้วยอาศัยู่ในหุบเขาที่พระเจ้าเลี้ยงดูอยู่ออมาพรานคนหนึ่งเขาอยากได้เขาแล้วก็ก็ส่งพิดาแสนสวยมายั่วยวน ยูนิคอนเป็นสัตว์ที่ฉลาดแต่ว่าสัตว์ซื่อรู้ทุกเรื่องที่เขาเตรียมจะจะเชื่อแต่ก็ยังยินดีเหมือนทุกสัตว์ในชาติทันนะครับมาถึงวันหนึ่งเมื่อคุ้นเคยกันมากระหว่างยูนิคอนกับพิดาแสนสวยของพรานพรานพิดาก็กระซิบบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะเชื่อทุกสัตว์รู้ทุกออขอโทษนะผมปนไปแล้ว <c oughs> คือยูนิคอนรู้ทุกสิ่ง แต่ก็มาถึงเวลานั้นก็เดินมาหาแล้วเอาเคอเกยตักให้เชื่อตายด้วยามือนคนที่เรารักดีที่สุดตึ้งต่อมาก็อุปมาพระเยซูตายเพื่อปลดปล่อยมนุษย์เสีะเพื่อไทยบาปให้มนุษย์ ء. ที่าติกัารเขาขเรื่อนเนื้อนะที่กําแพงด้านหนึ่งฟังตรงนี้มันผมว่ามันเป็นสิ่งวิเศษแทนที่จะเป็นเรื่องเลีวไหลผมอยากเห็นภาพยนตร์สะท้อนอุดมการ์ของธรรมจริยธรรมเหล่านี้มากขึ้น นั้นเราตัดที่ไม่ได้ครับเป็นนานหนึ่งแสนพิเศษแต่เราต้องไขกุญแจเปิดเผยความจริงเนื้อหาด้านไหนออกมาอ๋อครับในเรื่องการประชุมนั้นฮะมีเรื่องตรงที่นาและตีความก็คือการเดินเจ็ดก้าวนั้นก็ตีความกันนะครับว่าพระมหาสมณเจ้ากรมพระวิญญาณมาโรรถตีความว่าก้าวเดินไม่เจ็ดชนบทเจ็ดกาวห น, นึ่งฮะซึ่งผมคิดว่าพลาดเคลื่อน พริงพระเจ้าท่านตรัสไว้เองเลยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดพุทชงเจดเกิดพุทธะก็เกิดดอกบัวเจดอกเจ็ดเก้าหมายถึงพชงเจดครับแล้วล้อมอุทานว่าเราประเสริฐเลิศที่สุดชาตินี้ชาติสุดท้ายแลการเกิดไม่เพียงจะเกิดจากสิ่งบางก็คำพีบอกว่าเกิ ด, าาากดทางรักแล้ก็มีครับบางทีอบอกเกิดทางหน้าแข่งคือเลี่ยงในพ้นจากความเป็นธรรมดาสามัญ ที่ว่ายืนเกิดมีขอ้อนิสัยอันหนึ่งนะครับที่ฟอยรับฟังได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะในช่วงที่มายาเทวีเสด็จกลับเทวะทหะเพื่อไปครอดตามธรรมเนียมมานะมีข้อคําถามว่าทําไมถึงชะล่าใจจนกระทั่งไปครอดกลางทางทั้งๆมีผู้รู้หมอตําแยหมอหลวงเยอะทําไมชะล่าใจขนนั้นโดยแท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะธรรมบีลลิสวิสระบอกว่าไม่ได้เสด็จไปเทวธาหะทรง ก็ดนใจอยากจะชื่นชมดอกสัระดอกไม้เลยเสด็จโดยตรงไปที่ลุมพินีครับไม่ไม่ได้ใช่ผ่านเพื่อไปเทวสถานนี้คัมภีร์ขัดกันเองอยู่ผมเพียงเสนอข้อขัอขดแย้งเท่านั้นเองนะแล้วการที่พระนารนได้เห็นช่อดอกสัระบานก็รื่นร ม, รมตามสาวเพรายังสาวอยู่เป็นคันแรกครับก็ลงไปเล่นเกมชนิดหนึ่งในเดสของนั้น เ, เรื่อสารพันชิกาสารพันชิกาคือการหักดอกสาระ กุศลปรารถนาคว้างกันเล่นในหมู่สาวสนมกกับนันความกุศลปรารถนาหักดอกไม้ปาหูกันเล่นนั้นนางก็เล่นกับกับสาวสนมกกนั้นท่าเด็ดดอกสาระเลยกลายเป็นท่าเหนียวกิ่งลังนะครับยืนคลอด <c oughs> มันก็ฝืนธรรมชาติถ้าเราคิดในแง่ธรรมชาติมันก็ขัดแย้งมากนะแต่จริงช่างเราต้องการจะรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดให้อยู่ในภาพเดียวเพราะัมพีทั้งหมดนี้ถูกจดจาร ตามลอยหินสลักโบราณนะฮะประมาณก่อนหน้าเจ้าโศกเล็กน้อยแล้วเจ้าโศกประมาณสามร้อยปีนะฮะหลังพุทธกาลเนี่ยพุทธวัตนั้นอยู่ในหินสลักแล้วพระคมภี์นี่เขียนตามหินสลักแต่ั้นมีการต่อเติมตีความาเหมือนพระคำพี์นี่เป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่อย่าคิดว่าความคลาดเคลื่อนนั้นเป็นความผิดบางทีความคลาดเคลื่อนนั้นเพื่อรสชาติในกรณีที่พิจารณาออกบวช น, นะฮะอ๋อ เล่าว่าประตูพระราชวังนั้นต้องใช้ทหารตั้งพันคนมืนเปิดได้นะแต่ในคืนนั้นเทพปดาผู้ไร้โรคร่างในตัวตนเป็นใจครับเปิดประตูให้แล้วก็เกรงว่าฝีเท้าคั่วไปจะกึกก้องจนเหตุได้ผู้คนตื่นเทวดาเข้าอุ้มในภาพ ย, ายนตร์ลิเแทนมุดาเอาฟางเขมัดกันแล้วเดินจูงไปทีนี้เมื่อข้ามกำแพงไม่ได้ก็เหาะไปดีกว่านในท้องฟ้า เราดูชี่นี้แล้วเนี่ยสมมุติว่าพราะคัมภีร์เล่าว่าพระเจ้าดำดินระบวชผมไม่จะไม่ค้านสักคำหนึ่งผมใจดีนีเนเน่เป็นรถแต่งวรรณกรรมไปอ่านปฐมสมโพธิจะรู้นะครับว่าพราะคัมภีร์เหล่านี้เขาไม่ต้องการให้พิสูจน์ความจริงครับแต่ต้องการให้สร้างศรัทธาขึ้นแต่ผมเห็นด้วยในะแง่ววที่ว่าศรัทธาชนิดนี้มันมันมันดาบสอ ง, สองคมทั่วไมันเพิ่มความาม ง, งายให้ เหมือนที่ชอพุดทั่วไปนะในระดอกทั่วไปนะครับแต่ทุกวนันนี้นี่เมืออเข้าไปกล่าวพุทธรูปบางทีคิดไปรูปเขารบแล้วก็บางคนอาจจะคิดไปมีผีสิงสถิตอยู่ในนั้นพระเจ้ากายเป็นหัวหน้าผีอะไรกางเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ที่มีปัญหาเรื้อรังเหมือนจะเป็นมะรงทีเดียวครับแท้จริงพุทธรูปนั้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการตรัสรู้ครับเปลวประพาณิลที่เป็นเปาาลวไฟไม่ใช่สีสางข์ท่านไม่ใช่ปิ่นปักผมด้วยนะ ขั้นหนึ่งมึงาฝรั่งไปดูฝรั่งเึ็นคนนอกวัดอาธรรมมันก็จะเห็นอะไรก่อนเราเขาบอกทําไมพู้เจ้าหัวแหลแมเปียบอย่างนี้แต่เราเริ่มรู้ได้อ้าวจริงด้วยที่เราอยู่ในท่ากลางว่าทำเราแล้วก็เฉยนิ่งเราไม่ตั้งคาถามที่ตั้งคาถามไม่ดีมากเลยครับทําไมพู้เจ้าหูยานถึงบ่าชนเผ่าไหนกันแน่แล้วทําไมผมหยิกเป็นเหมือนกโลกลว์ไปเลยนะแล้วทําไมมีหัวแหลมหรือหนกผมเหมือนน้ําทุเรียนอะไรนะี่ ทั้งหมดนั้นไม่สนใจรักทั้นั้นครับผมว่าเราต้องทําความรู้จักสองส่วนนะครับคือศาสนาพุทธหรือศาสนาในในโลกหนึ่งครับจะมีอยู่สองสองส่วนผมจะแทนด้วยสามเหลี่ยมพีระมิดนี้เอาเส้นแบ่งยอดบนซึ่งเนื้อที่น้อยมากมากนั่นคือศาสนาคําสอนบริสุทธิ์ซึ่งแต่เดิมก็ไม่มีคําว่าศาสนานะครับพระเจ้าไม่ได้เรียกว่าศาสนาเลยแต่ท่านเพิงเรียกกันที่หลังครับอพระเจ้าเรียก คำสอนท่านว่าพระธรรมมีไหนในเรื่องนี้นะฮะเนื้อที่น้อยส่วนบนนั้นเป็นคำสอนบริสุทธิ์ขององค์พระาศาสดานะครับที่ฐานล่างนี้เนื้อที่มากเป็นคติความเชื่อของชาวบ้านผมเรียกฐานล่างว่าป๊อปลา บ, บุดดิงหรือเรียกว่ า, าศาสนาป๊อปก็ได้ครับรอเรียนดนตรีป๊อปคือศาสนาพุทธในความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้าน ขึ้นผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีเรื่องอะไรของท้องถิ่น น, นี่เป็นธรรมดาที่สุดครับไม่ว่าศาสนาพุทธหรือคริสต์หรื อ, รอมุสลิมเมื่อไปถึงถิงถ่นฐานไหนแล้วก็วต้องยังรากฝากใบลงไปในนั้นมีความจําเป็นต้องประสมผสานุคติความเชื่<พ>อของคนพื้นบ้านพื้นเมืองไม่งั้นติดตั้งไม่ได้ครับแล้วถ้าเกิดการแปล ร, รูปถ้าการแปล ร, รูปนั้นเป็นสุดโต่งไปก็กลายเป็นศัพท์ธรรมปฏิรูปคือผิดเพี้ยนไปเลยครับไม่ไม่เป็นคําสอนงศาเจ้าอีกเลย แต่โดยทั่วไปแล้ววาสนารรมไปที่ลังกาก็มีลักษณะอย่างลังกานไปที่ทิเบตก็ผนวกกับเข้าควารรมเชื่อของรัฐที่เก่าของทิเบตกิเลสที่บอลปักมีเรื่องเวทมนต์คาถานะแต่ว่าในที่สุดเขาก็รักษาส่วนยอดไม่ได้คือคําสอนบริสุทธิ์มีอยู่เนี่ยผมบอกแล้วเมื่อเข้าวัดนั้นไม่ใช่เพียงเลยเข้าหาเรื่องราวทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะฮะแต่เข้าหายานพัศนะที่ซ่อนอยู่ในนั้นผู้ป็นชาวทิเบตที่เข้าถึงเปือกนี่นก็มีชาวพุทธก็เหมือนกันนะครับ ในวัดมันมีทั้งเปลือกทั้งกะพี้ทั้งกันมีทั้งเฮโรอีนมีทั้งกลิ่นทูบนะมันปนกันชุ่วไปหมดนะครับงั้นทุกวันนี้นะครับถ้าเราจะหากระบวนการแก้ไขกฤติการนี้ก็คือเจาะช่องให้มือที่ที่ยอดที่มีน้อยไหลเทบาลงมาสัมพันธ์กันส่วนล่างแต่ส่วนล่างเป็นฐานการเปลี่ยนแปลงสังคมนะันักปฏิวัติสังคมนักศาสนาที่หวังจะเผยแผ่ เรเห็นความล้มพังฐานล่างซึ่งคนจํานวนมากแต่ว่าอาจจะผิดเพี้ยนมากๆแต่ถ้าฐานล่างนั้นเกิดสัมพันธ์กับยอดบนนี้มานะนั่นคือพุทธศาสนาได้ที่แท้จริงไนดะ้ซึมแทรกเข้าไปในทุกขั้วเรือนดังเช่นตัวอย่างครั้งสมัยพระเจ้าอาโศกหรือในสมัยศรีวิชัยเชื่อกันว่าพุทธศาสนาจริงๆในบริสุทธิ์จริงๆนะซึมแทรกเข้าไปทุกทุกขั้วเรือนในลังกาทุกวันนี้ซึ่งเป็นต้นแบบของเราครั้งหนึ่งนะ แล้วก็เมื่อสาบสูญไปเราก็คืนให้นั้นลังกากับเรานี่ใกล้เคียงกันมากแต่ทุกวันนี้เขามีอะไรที่มีเสน่ห์มากครับในพิธีกรรมอะไรเนี่ยหญิงชานากําลังดํานาอยู่เพราะได้ยินสิยงในครั้งวัดนี้ก็ทิ้งกล้าพนมมือสวดอิติปิโสในนาเลยครับคือศา ส, สนธรรมกับชีวิตประจำวันนั้นแน่นของเราแยกแย ก, กันอยู่นะแยกแย ก, กันอยู่เข้าวัดทีนก็เรียบร้อยใจเย็นกลับบ้านก็ตบหน้าคนท้ายได้ทันทีเลยเราเราแยกกันยังไงก็ไม่รู้ครับ ผมคิดว่าสิงที่ถามนั้นดีครับแต่ว่าเราต้องระระวังมากเราต้องทําให้ศาสนาธรรมคงอยู่เนื้อหาแท้จริงคืนมาแทนที่จะเฉือนทิ้งโดยโดยคิดว่าไม่มีประโยชน์ผมคิดว่าทุกสิ่งที่ศาสนาธรรมได้ฟุมฟักมามีประโยชน์แต่ว่ามีสิ่งที่เรียกสนิมนะครับมันเข้ามาแทะเข้ามากัดเหมือนเราเห็นพระ อ, องค์เดียวทําชั่วช้าละโมกเรายุบคณะสงฆ์เลยดีนะอย่าให้มีพระบวดเลยจะได้ไม่ต้อง เลรือนีน้ผมว่าไม่ถูกคิดอย่างนั้นเลยถ้ารนที่ผมเวนกีนถ้าในที่มีคนชี้แจงอย่างนี้นะว่าลักษณะการโนดอิจิบาเขาเลยคลอดแนันเพราะเรื่องที่เป็นาพที่เคยคลอดในช่วงน้ำเรืออะไรกเคยเพราะฉนั้นไม่มีคนแถบกลอยใหชื่ออะไรไปตามนั้นอันนี้เป็นภาที่ผมอว่ากคลอดแบบทให้คนที่นอกมองอยู่แลเข ครับหลายเรื่องนะครับเรื่องกับพี่นิหารอะไรแต่ว่าถ้าเราศึกษาจริงๆนะครับหรือสังเกตุเล็กน้อยเพราะว่าพระคัมภี์ขับแย้งกันเองตลอดเวลามีมากเหมือนกันเช่นอ้างว่าพระเจ้ามีฤทธิ์มากมายแต่แล้วเวลาไปเสเด็จไปวรรณะนั้นต้องเดินไปแถมท่านบอกพรานรนั้นท่านเหนื่อยเพระนั้นยิงเขี่ยวเขียนท่านทรงบาดให้บอกว่าช่วยไปตักน้ําแม่น้ําสายหนึ่งนะครับ ท, ท่านเหนื่อยมากทีนี้ท่านั้นบอกว่ากองเกวียนเพิ่งผ่านไปน้ําคุณหมดแล้วไปกินาสายหน้าดีกว่าท่านบอกท่านเดินไม่ไหวแล้วเหนื่อยเกินไปไปตักว่า <c oughs> คือผมอยากสรุปง่ายๆหนึ่งการมองชีวิตของพระศาสดานั้นสําคัญมากครับถ้าเรามองว่าเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนถ้าเรามองทูบ า, าจารั์ของเรานะครับในพุทธศาสนาเรามองความฝันระหว่างสิทธิ์บาจาันในแง่ของกาลยานมิตรตา ความเป็นกันลยานมิตรตอกันเราไม่ได้มองอาจารย์เทวดาซีเป็นชี้ตายไม่ได้มองอย่างนั้นครับพระเจ้าปฏิเสธระบบความเชื่อนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมอินเดียเก่านะครับครูสั่งให้ไปตายต้องตายครูสั่งให้ไปตัดนิ้วคนสักพันต้องไปนะครับระมาริมานเชื่อในวัฒนธรรมกระแสนั้นมากๆพุทธศาสนาได้ปฏิเสธสิ่งนี้ฟังพันธ์แบบคนหนึ่งกดขี่มีอำนาจเหนือคนหนึ่งท่านไม่ยอม ระบบวันหนา้าท่านไปเสรเลยถือว่ากรรมเป็นผู้ตัดสินอไม่ไม่ไม่ใช่วันหนา้าแต่ท่านเสนอความระบบสัมพันธ์เรียกว่ากาลยานมิตรตาแล้วท่านเองบอกว่าท่านเป็นเพียงกาลยานมิตรของสัตว์ทั้งหลายออผมว่าเนื้อหานี่สําคัญที่ทําให้เราหลุดพ้นจากการยึดตัวถือตัวบุคคลอย่างล้มละลายหัวชนต้นแพงนะครับเราจัดการช่วง ของเดือนทีห้าเดือนที่ผ่านมามันนั่นจะยึดติดในบุคคลครับเลยไม่ใส่ใจสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนจริงๆครับหือว่าผมอยากจะพูดในแง่ของศัสนาแต่ละศัสนาคือในเนื้อแท่งคิงเนี่ยถ้าเราจะทำให้ใครเชื่ออย่างมหาศารเนี่ยแต่ว่าให้ใครปฏิบัติตามเรามันต้องเหนือ่อยมากๆแล้วก็มีความอดทนเป็นพิเศษ ซึ่งไอความอดนเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้สาวงต่างเชื่อว่าพระองค์เนี่ยมีความสามารถพิเศษแต่ว่าไอสิ่งที่อดทนเหนือมนุษย์เนี่ยมันมันสิ่งเป็นสิ่งที่มีมาจากพระองค์เองซึ่งศาวลาแต่ละศาสนาก็มีอสัจขินี้แต่อยากจะให้ข้อคิดเห็นว่ามันมันน่าจะมีสาเหตุมาจากว่าความอดทนที่ กำลึกแล้วก็สติปัญญาที่เฉเดยวฉลาดที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ทุ่มเยทุกอย่างเพื่อโลกอย่างแท้จริงต่อข้อสเกตอันนี้ก็ดีนะฮะผมก็นึกถึงฐานะที่แท้จริงของพุทธเจ้าที่ท่านอธิบายตัวท่านเองต่อภาษาเวทความคิดหนึ่งก็ถามตรงว่าพระพุทธเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่นิพพานก็ตั้งอยู่คือไมีอยู่นะฮะ ภาษาวกที่ปฏิบัติตามคําของท่านก็มีอยู่ถามว่าพราษาวกทุกองค์เข้าถึงที่สุดทุกหมดไหมเจ้าเปล่าไม่หมดถามอา้าวทำไมอย่างนั้นน่ยถ้าบอกพรามเออยเราจะทําไงได้ขาตาโรทากตาตัวนี้คิดจังอันตรปังผมก็ยกบาลีขึ้นมาอย่างนั้นเลยครับเพื่อให้รู้ว่าผมไม่ได้สร้างคําตอบขึ้นเองท่านบอกว่าเราจะทําไงได้ในเมื่อตะถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางการเดินเป็นเรื่องของเธอ นั่งไหวเงี้นะฮะศาสนาไม่เเรานีมืแต่หน้าผากเาบรรลุธรรมเลยหรือว่ามือมาคลําหัวแล้วก็การผู้รู้แจ้งมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้าศาสนาอื่นเขาอาจจะเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่อว่าครูมีพลังพิเศษที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้พระเจ้าปฏิเสธความเชื่อ น, นี้เลยนะหลักกาลามาสูตรจะบอกเลยครับหลักกาลามาสูตรแทนที่จะเป็นหลักให้เชื่ออย่างไรกับว่าหลักไม่เชื่อแต่ว่าต้อง อ่านให้ครบอบคนะฮะท้ายประสูจน์นั้นท่านบอกว่าเมื่อปฏิเสธหลักเชื่อสิบประการนั้นแล้วแม้แต่ครูก็ไม่เชื่อนะฮะให้ใช้ตรีปัญญาแล้วก็ประสบการณ์ด้วยนะฮะแล้วฟังคํำของท่านผู้รู้เช่นผู้รู้เขาพูดว่าอย่างไรแต่ไม่ต้องเชื่อแต่หยิบมาเป็นเป็นหลักสําหรับใข้ครคัรวพิจารณาแต่อเมื่อประสบการณ์ข้างในฟ้องขึ้นมาเองแล้วสอดคล้องกับคําอท่านผู้รู้นะนะเมื่อถึง ว่าระนั้นเวล า, าตัวเองเข้าใจถ่องแท้แล้วไม่ต้องถามใครนะรการที่เราศรัทธาใครสักคนหนึ่งว่าเป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายนะเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองเลยนะครับคือจะไม่มีการจเจริญสติอีกเลยความเชื่อเป็นสิ่งผิดแปกจากสติสัมผัสอย่างสิ้นเชิงครับเหมือนฟ้ากระดินเลยครับเชื่อแล้วมันไม่มีสติแล้วครับแต่พอมีสตินะมันถอนตอนออกมาจากความเชื่อไม่ใช่ล้มล้างความเชื่อ แต่ถอนตัวอิสระจากความเชื่อทุกชนิดเมื่อเห็นแจ้งในตัวเองจริงรู้ว่าคําพูดนี้ถูกภาษาสดางนี้พูดจริงคําพูดอนนี้ต่ออ้างเป็นอาหารก็ไม่จริงอะไรเหล่านี้นะฮะนั้นหลักความเชื่อกับหลักติปบฐานขัดกันอย่างสิ้นเชิงครับแต่ไงก็ตามพุทธศาสนามีหลักความเชื่ออย่างพุทธมาดูเนี่ยท่านบอกว่าพุทาโพธิกะสัทธานพุทธาคตะโพธิกะสัพทาน คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระเจ้าไม่ใช่ศรัทธาในตัวท่านเนือคือถ้าพระเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็เหมือนกันในกอในขอนในงอนนั่นเองศรัทธาในการตรัสรู้ของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นคนธรรมดาสามัญอาศัยสี่ปัญญาวิริยะความเพียรความอตนถึงที่สุดทุกตรัสรู้ขึ้นมาศรัทธานี้ครับไม่ได้ศรัทธาตัวท่านแต่ว่าตัวท่านก็รวมอยู่ในการตรัสรู้นี้เอง สรัทธาในกรรมในการทําของตัวสรัทธาในผลที่จะพึ่งเกิดจากการทําของตัวเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าได้มอบอธิปไตยในการปกครองตัวเองให้เต็มเตีตยมเลยเพราะว่าสี่ประฐานสี่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดแอกพันธนาการทุกอย่างที่ครูมีให้สิทธิ์ครูครอบําสิทธิ์สังคมรัฐะครอบําบัจเจงะนั้นคนที่จะเริญนสี่ประฐานแล้วก็ เป็นคนที่ปกครองยากครับรัฐบาลชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาปกครองตัวเองได้แล้วรัฐทุกรัฐนักประฏิ ก, การทั้งหมดจะชิงชังที่สุดตรงนี้เพราะาคนปกครองตัวเองไม่ได้คือคนที่มีสตินั้นรัฐก็ปกครองง่ายครอบครองครอบงำง่ายดังนั้นคนที่ปกครองตัวเองได้เขาก็เป็นผู้ใหญ่ถูกไหมครับศาสนาไม่ได้หวังที่ใช้มนุษย์สนองปัญหาหรือทิฏฐิใดๆทั้งสิ้นครับต้องการให้มนุษย์เข้าถึงอธิปไตยในตัวเอง เข้าถึงอิสรภาพในตัวเองมจุดเริ่มต้นไม่ใช่เริ่มด้วยการนึกอาจารย์ครอบำงำศีลให้เชื่อถูกมัดล่ามเท้าล่ามมืออย่าคิดอย่างนง้นะผมต้องพูดร่า บ, บางสำนักบอกว่าถ้าไปสำนักน้อยแล้วอย่าเข้าสำนักนี้เอาขนาดนั้นเลยครับเข้าสำนักนี้ไปเข้าสำนักอื่นเป็นพวกนอกรีดเอาข้านอนเลยครับผมสรุปว่าการท้าทายศาสนาการตีความศาสนาปสนเป็นสิ่งที่จําเป็น การแม้แต่การเปลี่ยนลัทธินิกายก็อาจจะจําเป็นสำหรับบางคนแต่การบอกเลิกศาสนานั้นไม่บังควรครับศาสนาธรรมนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะสมานในความรอยเล้าวของเชื้อที่เกิดจากเชื้อชาติยึดติดในเผ่าพันธุ์นะครับเข้าไปสู่จุดเดียวกันได้นี่คงเป็นเพียงความหวังเท่านั้นครับทีนี้ก็พายามกลับมาคิดว่าเราเนี่ย คำถามอยู่ทีความหมายขศาสนธรรมนั่นเองครับเพราะว่าสิ่งที่ยกมาอาจจะไม่ใช่ศาสนาอะไรก็ได้ทุกวันนี้ที่ขึ้นป้ายติดที่ห้อศาสนาอาจจะตรงข้ามเลยก็ได้ครับดงนั้นประเด็นหลักนี้เป็นเรื่องใหญ่นะว่าศาสนธรรมจริงๆคืออะไรแล้วเจตนารม์จริงๆศาสนาทุกศาสนาในโลกคืออะไรกันแน่ออมชินลีเกียที่ใช้แก๊สข้าวนั่นนเขาก็บอกเป็นศาสนานะครแล้วคนคนหนึ่งที่โลกรู้จักดีก็คือฮิตเลอร์เขาก็บอก ความเชื่อพัศนาติขอาคือศาสนาแล้วตัวเองเป็นนักศาสนาด้วยนะฮะแล้วมันกินเจด้วยครับฟังดูน่าตกใจมายเลาเขาบอกเขาปฏิบัติศาสานาความเชื่อของเขาแต่ปัญหาตก้างอยู่ตรงนี้ครับว่าศาสนาการเติบโตขึ้นของปัจเจกภายใต้รุ่มเงาของศาสนาธรรมเนื้อหาคือ h u m a n e n e ครับคือความเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีนั้นย่อมวิเศษ หรือพิเศษไปจากการเป็นสมาธิกบทที่ดีนะการสมาธิบทที่ดีอาจจะเป็นวัตถิเลวก็ได้ครับดังนั้นเราต้องมาถึงพิาจารณายอดแหลมของแต่ละศาสนามันไม่ใชเพียงถกเถียงว่าของคุณผิดของผมถูกแต่บอกว่าน่าจะย้อนลูกศรว่าของเราต้องสำรวจของเราผิดพลาดอยู่ตรงไหนบ้างเจ้าที่ศาสนาแต่ละโบสถ์แทนที่จะมุ่งเผยแพรผมคิดว่าต้องสำรวมลงแล้ว พสทอคได้มากขึ้นเจรจาในเนื้อความของการเติบโตของความเป็นมนุษย์ความเป็นคนไม่ไม่ใช่ยุหยิงไม่ดีนะไม่ใช่มนุษยธรรมมนุษยธรรมน ม, มันอาจเป็นสิ่งจอมปลอมได้อ้างเพื่อมนุษยธรรมลมแก๊สเลยเนยอมชินิเกลเก็อ้างอั้นนี้ก็บอกว่าโลกกําลังมาถึงใกล้วันสิ้นโลกแล้วดังนั้นตายก่อนเจะปลอดภัยกว่าที่จะให้เกิดวิกฤตการณ์เามีฟิลโลสอฟีประหลาดประหลาดในเขานะดังนั้นเราต้องมา นำมาสู่จุดสำคัญยอดแหลมของโบสถทุกทุกหลังเนะี่ยแทนที่จะมุ่งพิสูจน์ใครสูงใครเด่นของกันเนะต้องพิงสูจน์ว่าภายในโบสถนั้นเจ้าหน้าที่โบสถเป็นมนุษย์หรือล่าเหมือนว่าเรามีภรรยาสามีนอนคิดเคียงข้างกันมา20ปีแล้วเนะ่ยเช้าจู่วันหนึ่งเพื่อนมาลุ้นเอ๊ะเขาไม่ใช่มนุษย์เขาคล้ายมนุษย์เท่านะั้อยู่งเินใหญ่เลยหน้าตกใจมาก เมื่อเราเชื่อว่าวันสงบนันเป็นวันที่ดีที่สุดมาวันหนึ่งเอ๊ะวันที่น่าสงสัยที่สุดที่มานหมดเลยแ้าอย่นั้นนะครับศาสนาศา ส, สนาธรรมนั้นเป็นไกลหลายเท่านั้นนะครับแต่การเติบโตของจิตใจมนุษย์แสงสว่างในจิตใจมนุษย์ซึ่งกระทํามนุษย์ยอมรับซึ่งกันและกันได้ว่าเป็นอยู่ในกระแสธรรมชาติเดียวกั น, นอยู่ในโลกดาวน้เคร็ดดวงเดียวกันต้องกินอาหารต้อง สูตรอากาศไริสุทธิ์เหมือนกันตรงนี้สําคัญครับบางทีฟังขันมันยิ่งยวดกับศาสนาอีกแต่ผมคิดว่านี่คือศาสนาศาสนธรรมอยู่ตรงนี้ส่วนเปลือกคือวัฒนธรรมครับรูปแบบต่างๆดังนั้นถ้าเราดูการเมืองการกข่งขันเนี่ยมักจะเป็นผู้แอบอ้างศาสนาเข้ามาเพราะดูเหมือนเพรอ้างศาสนาดูมันเก๋ดีนะเท่ดี เป็นนักศาสนาโอ้โหจิตใจอิกสมมุตก็ต้องสูงส่งเขาต้องมุ่งลึกในศรัทธาในสิ่งสูงนะ่นแต่ที่จริงแล้วความเป็นคน ง, ง่ายดายนี่เดียรครับก่อนหน้าที่เราจะเป็นพลเมืองของชาติรัฐรัฐถหนึ่งใดก่อนหน้าที่เราจะเป็นสมาชิกของโบสหนึ่งใดเราเป็นมนุษย์ครับแล้วเราถูกพรากมาเป็นพลเมืองพรากมาเป็นคริสพรากมาเป็นพุทธพรากมาเป็นมุสลิมแต่ถ้าคิดแบบนี้นะลําบากครับ เหมือนเรื่องเรื่องการเมืองนี่ขัดแย้งนี่ระหว่างสถาบันกับอิสรภาพ